เพราะว่าเรายึดกายยึดใจเป็นตัวเราทําไมเราไม่ต้องไปดูจเจริญสติปัฏฐานดูโต๊ะดูนาฬิกาดูไมโครโฟนไม่มีใครบ้าที่จะเห็นโต๊ะเป็นตัวเราใช่ไหมไม่มีใครบ้าเห็นนาฬิกาเป็นตัวเรายกเว็นบ้านนะบ้าบอกชันคือนาฬิกาหรือชั้นเป็นไมโครโฟนงั้นโดยปกติถ้าเราสติสัมปชัญญะปกติยไม่มีใครเห็นของข้างนอกเป็นตัวเราอยู่แล้ว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 นั้เรียนธรรมะอย่าเพียนเพีนเพี้ยนง่ายนะไอ้น้องก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อนัตถิกาทิฏฐิถ้าเป็นชาวพุทธเราจะรู้ว่าถ้ามันมีเหตุมันก็มี ถ, มมมมถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีนี่นความจริงนะความจริงของกายของใจก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกขังก็คือ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 อาจจะต้องมีตัวเอ r ร์อร์นิดหน่อยต้องคูณอะไรอีกนิดนิ ด, นดหน่อยๆน่อยแล้วแต่แต่ละคนมีต้นทุนไม่เท่ากันบางคนมีสติมีสัมมาสมาธิแวบเดียวเท่านั้นคราวแรกที่มีนะแล้วก็ตัดเลยเพราะอะไรเพราะก็เขาแก่รอบมาแล้วบางคนยังอินทรียังไม่แก่รอบนะก็ต้องดูแล้วดูอีกอดทนอดทนดูแล้วดูอีก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 เสียเวลาเปล่าๆหลวงพ่อภาวนาทำไมกล้าพูดอาหารเหลือเกินว่าเพ่งลูกเดียวไม่ได้กินเพราะหลวงพ่อเพ่งอยู่ยี่สิบสองปีตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสองนะเพ่งมาเรื่อยๆเลยเพ่งเก่งนะใครยัมาแข่งเพ่งกับเราเราสู้ตายเลยนะแต่เนี่ยเพ่งเรียกว่าแข่งโง่กันเพงเพ่งเพงให้มันนิ่งๆจนปีสองห้าดูสิอดทนเพ่งอยู่ได้จนปีสองห้านะ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 แสดงนี้ใสเสียพวกใจร้อนเห็ยนไหมพวกที่มาเรียนกับหลวงพอ่อพวกใจร้อนพวกปัญญากล้าปัญญากล้าโทรศัพท์มันจะกล้าด้วยพวกรวดเร็วรุนแรงเพราะฉะนั้นะพวกนี้ใจร้อนมากเลยขับรถก็โครมโครงคลามคลา ม, มนะชวนพระแถววัดหลวงพ่อนะออกบินทบาทถ้าหน้าหนาวเนี่ยพระต้องเปิดไฟท้ายนะ <laughs> <c oughs> คือมีไฟฉายถือเปิดไปข้างหลังนะไมีงา้นรถมันจะเยียบเราพวกที่มาวัดนี่แหละพระก็ต้องมีไฟท้ายนะอ <laughs> <p ok>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 าเอาตัวรอดได้ไม่ใช่หลวงพ่อขลังหรอกนะหลวงพ่อก็ต้องพูดแบบนี้นะไงั้นเดี๋ยวจะมาขอพระเครื่องเราต้องฉลาดพอนะฝึกสติของเราเพื่อมาเป็นเครื่องคุ้มครองตัวเองเราไปก็ฝึกให้เกิดตัญญาจะเกิดตัญญาได้ต้องมีสติแล้วก็มีใจที่ตั้งมั่นวิธีฝึกให้สติเกิดก็คือหัดดูสภาวะไปเรื่อ ย, อยวิธีฝึกให้เกิดสัมมาสมาธิมีสองวิธีวิธีหนึ่งทำฌาน หน้าตาพวกเราส่วนใหญ่ทาฌานไม่ได้เพราะใจร้อนทาฌานก็ททำกันแรมปีต้องเปลี่ยนชื่อเป็นแรมปีแรมเดือนแรมทศวรรษหนึ่งนี่พวกเราใจวักแวกวักแวกเนี่ยเราทำฌานเต็มรูปแบบไม่ไหวเราก็ทำสมาธิ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 ก็เริ่มทำอะไรต่อไปอีกเช่นโกรธนอโกรธนอเนี่ยอันนี้ฟุ้งซ่านละหรือไปหาทางทำให้ไม่โกรธหรือไปดึงจิตคืนมานะไปเพ่งจิตให้นิ่งอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นการแทรกแสงนะไม่ใช่รู้แล้วจบที่รู้นะจิตไม่ตั้งมัน่นหรอกจิตฟุ้งซ่านไปทำงานต่อลว้วิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นชั่วขณะตั้งชั่วขณะนะไม่ตั้งนานอย่าให้ตั้งนานถ้าใครรู้สึกว่าดีฉันตั้งมาสามชั่วโมงแล้วเพียนแน่แนๆเลยเพมตั้งชั่วขณะ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 เรานั้นเราคอยฝึกนะหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆหัดสองอย่างเท่านั้นแหละอันแรกสภาวะอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกสภาวะอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกนะอีกอันหนึ่งที่ฝึกก็คือถ้าใจเราไหลไปใจเราวิ่งไปวิ่งมาเราก็คอยรู้ทันแต่อย่าดึงเอาไว้อยู่นิ่งๆไม่ต้องรักษาไว้ให้มันวิ่งไปแล้วเราก็รู้ว่ามันวิ่งไปนะมันจะตั้งมั่นเองนะตั้งได้แวบหนึ่งนะแวบตรงที่รู้ว่าหลงนะั่นแหละ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 แ ต, แต่ไม่ชอบภาวนานะคะไม่ไมเป็นไรนะหรอกไม่จําเป็นต้องภาวนาทุกคนหรอกนะให้แม่ทําบุญไปแล้วก็ดูบอกเห็นไหมวันไหนได้ทําบุญแล้วก็สดชื่นวันไหนไม่ได้ทําบุญแล้วหงุดหงิดนะให้คุณแม่คอยดูแค่นี้ก็พอละนะขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะยุคนี้เป็นยุคลูกสอนพ่อสอนแม่ <laughs> ดีนี่แหละเป็นวิธีแทนคุณพ่อแม่นะอ่นะ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 นึกออกใช่ไหมที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันน่าถูกอยู่แต่ตอนนี้ไม่ถูกเพราะประคองเอาไว้แล้วต้องแก้ไขอะไรหรือเปล่าให้รู้ทันไม่ต้องแก้จิตขณะนี้มีโมหะนิดหน่อยดวกไหมมโมห ะ, ะโทรศัพทเตืออยู่ครับเออนะให้รู้ทันอย่างนั้นแหละใช้ได้ขอบคุณครับที่ฝึอกอยู่ดีแล้วนะจิตเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเห็นไหมเรียนไม่นานหรอกเรียนจริงๆแนละ้วไม่นานจะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองรู้สึกได้ต่อไป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 เงยหน้าขึ้นยิ้มหวานหวานน ะ, นะสังเกตไหมใจเราก็ฉบไปกระอบมาดูออกไหมตอนที่ยิ้มหวานตะเกียดนั่นแหละปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเนี้ยแล้วก็ตามดูมันไปเรื่อยๆไม่ได้ฝึกบังคับให้นิ่งนะครับอย่าไปบังคับให้นิ่งปล่อยให้มันซนไปของคุณโดยตัวเองก็สนอยู่แล้วลนะ่ะปล่อยให้มันสนๆไว้ครับไปคนต่อไป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 วันพรุ่งนี้ครับจะได้มีโอกาสไปปวชสามเณรพระฤาดร้อนนะครับก็ไปเจริมีอะไรที่ไปเจริญสติเอ่ะครับอย่างเขาพานั่งสมาธิเราก็หัดนั่งไปด้วยความมีสติเขาให้เดินจงกรมแล้วก็เดินด้วยความมีสตินะเขาสอบอารมณ์ไหมก็มีบ้างนั่นแหะน่ากลัวที่สุดเลยพอสอบอารมณ์นั่งก็พยายามจะบังคับทุกคนให้เหมือนเหมือนกันมันผิดตรงนี้เลยแต่ละคนทางใครทางมันนะ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 เออคื อ, ค, อคือเห็นอะไรไหวๆอยู่อ่ะคะ่ะเว้ยเวลาเห็นเนี่ยต้องเห็นสบายๆนี่เห็นแบบแข็งเกินไปใจแข็งอยู่รู้สึกไหมเห็นแบบถูร้ายเนี่ยดูสบายๆนะของคุณมันติดเพ่งอยู่นิดนึงเห็นไหมตัวนั้นไหวๆแต่มีตัวนึงนิ่ ง, งๆอยู่เนี่ยตรงที่มีปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวไหวๆตัวที่มีปัญหาของคุณคือมันมีไอ้ตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้เรายัางเพ่งอยู่ เวลานั่งสมาธิอะค่ะหลวงพ่อเวลาจิตรวมอะค่ะอื <ừ ừ S 1> ใช่ไหมคะจิตรวมก็อันหนึ่งเห็นในตัวไหวๆเห็นตัว ค, ค, คิดขึ้นมาเนี่ยมันคิดของมันไปใช่ใช่บางครั้งก็รู้ทั น, นกกไหมคะก็รู้ทันแต่ตัวมก็รวมไปเวลาล อ, ออก <ไป S 2> จากสมาธิแล้วเนี่ยไม่รักษาตัวเนี้ยวไว้ไม่รักษาตัวรู้นิ่งๆนี้ไว้ ย, ออยังรักษาอยู่อ๋อต้องวางตัวนี้เลยเหรอคะวางไปเลยไม่งั้นนะจะเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ยกเว้นจิตจิตเที่ยง จิตเป็นอัตตาบังคับได้รู้สึกไหมเราบังคับมันได้ อ, อยู่ได้นานเลยค่ะคือเวลาจิตมันรวมแล้วรู้สึกว่ามันสบายอะค่ะเออสบายก็ไม่เป็นไรพอจิตใจไปชอบความสบายรู้ว่าชอบไปเลยน ะ, ะนี่ราคะเกิดขึ้นแล้วพบางครั้งมันไม่รวมนะคะแต่เห็นไหมไหวไม่รวม อ, ะอ่ะเห็นไหวไหวทำไมไม่รวมเพราะเห็นไหวไหวนั้นจิตมันเดินตัญญาอยู่คนละเรื่องกันกนะ็คือพยาไปมาแล้วพอพอว่าไม่รวมเนี่ยเราก็อยากให้มันรวมบาั้งก็ไม่รวมเลย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 มันก็คือมันเหนื่อยมากมันไม่รวมเลยมันมันเห็นแต่เห็นแต่ความคิดวุ่นไม่หมดเลยพอพอได้นอนนะคะแบบอาจะได้นอนเนียเที่ยงคืนกว่าพอได้หลับเอ็นตัวนอนสบายพอสบายเสร็จเห็นเห็นสว่างข้างในเลยทําไมต้องสบายก่อนแล้วถึงรวมเข้ามาสว่างขึ้นมาพระหลวงพ่อพูดอยู่ทุกวันเลยความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินึกออกไหมพอมีความสุขขึ้นมานะจิตก็รวมง่ายๆเลยยาวแต่สมาธินะ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 หายใจไว้หายใจแรงๆนเอ อ, นะเ อ, อนัอประศัการครับพระ อ, อาจารย์ตอนนี้ตื่นเต้นครับใช่มันธรรมดาปกติมันต้องตื่นเต้นจงใจมั้ตอนนี้จงใจปฏิบัติอยู่ครับเออทราบถูกที่ผ่านมาปฏิบัติตอนนี้ตื่นเนตนะ้นครับเออตื่นเต้นเป็นอย่างไงบ้าง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 อย่างเวลาดูฟุตบอลนี่นะคะก็จะมีคนภาคว่าโอเคบอลไปอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะจิตจะเป็นแบบว่าจะคอยภาคคอยบอกว่าโอ๊ยตอนนี้ไปหยุดออกมาคอยห้าเหาอยู่ไปอยู่ตรงไหนใหม่ๆมันก็ชอบภาคนะต่อไปพอสติมันเร็วขึ้นแล้วมันภาคไม่ทันก็เลิกไปเองอ่ะมันภาคไม่ทันใช่มันมีค่ะบางครั้งมันไปสองเดงตึ๊กตึเราภาคไม่ทันแต่ว่าพอภาคทันก็กลับมาภาคเหมือนเดิมไม่ได้จิตมันจะภาคจิตมันเคยชินที่จะภาคต่อไปมันก็ไม่พูดอะไรมันรู้อย่างเดียวไม่พูด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 ไปเนั่นแหละดีแล้วจิตมันวิ่งไปตามสิ่งเรานะถูกแล้วไปดูอย่างนั้นเลยบางครั้งก็คือเขาไม่เห็นไม่สนุกที่จะคุยแล้วนะรู้ทันตัวเองไปนะคบาง<ห>ครั้งมันก็ว่างเลยค่ะหลวงพ่ อ, อว่ า, ววาก็ชั่วคราวไม่เป็นไรถ้าสามวันสามคืนแล้วยังว่างอยู่กันติดว่างใช้ไม่ได้ขอบคุณนะครกราบ น, บนามัสการหลวงพ่อครับ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 ชาตินี้ไม่ได้ภาวนาแล้วเพราะฉะนั้นเราทําไม่รู้นะ ไ, มไม่ชี้นะครับผมขอบุณคราบให้เรารู้กิเลสของเราดีที่สุดของคุณของเก่าก็ทํามาดีแล้วนะอดูสินว่าจะไม่บอกงั้นเจริญสติไปนะจิตมันมีสติแล้วฝึกไปเรื่อยๆขอบุณ ค, ะนะคณราบกราบนายรัชการหลวงพ่อนะคะคือดิฉันนะคะเป็นคนติดช่างพูดอะค่ะก็จะมีความมีความรู้สึกว่าอินมากเวลาพูด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 ต้องถามก่อนไงว่าคนเล่นกีฬาทั้งวันทาเล่นอะไรเล่นไพ่ทาไพ่เป็นกีฬาเหรอเป็นในมาหายวิลายังมีชมรมบิดเลยเห็นอ่ากับนรัสการหลวงพ่อค่ะหนูตามรู้ตามดูกายใจทำงานนะคะมาประมาณหนึ่งปีก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายใจตามลำดับตามที่ซีดีหลวงพ่อเทศไว้ค่ะอันนี้หนูมีมีเทศผิดไหม ก็ไม่นะคะส่วนใหญ่จะเห็นคล้องต้องกันกับที่หลงพ่อเทศนะคะแล้วไงหนูมีความสงสัยค่ะขณะที่ฟังใช่ไหมคะหนูก็เห็นว่าเขาจิตอะค่ะเขาทางานคือคือเขามีภาพตามที่หลวงพ่อเทศแล้วก็มีสภาวะจริงที่เราเกิดคือเทียบเคียงสอบคล้องทาความเข้าใจไปนะคะอันนี้มีประโยคนึงที่หลวงพ่อเทศไว้ในซีดีนะคะว่า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 นะเพราะอะไรเพราะเราไปรู้ทันแล้วว่าประคองแต่เดิมเราคิดว่าประคองไว้แล้วดีนักปฏิบัติต้องประคองตอนนี้โดนหลวงพ่อว่าประคองไม่ดีแล้วเราก็รู้ทันว่าประคองใจมันคลาออกเองสังเกตไหมมันอยู่ห่างๆออกมานะถ้าเราประคองไว้นี่มันต้องจับออกไวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ประคองนะสักว่ารู้สักว่าเห็นนจะห่างออกมา <S S S นะกายก็อยู่ห่างๆจิตก็อยู่ห่างๆอะไรๆก็อยู่ห่างๆนะดูแบบไม่มีส่วนได้เสียนะดูแล้วไม่อิน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 เผลอแล้วให้รัวเผลอเพ่งอยู่เลิกมันไปเลยส่วนใหญ่เพ่งอยู่แล้วไปรั่วเพ่งก็ไม่เลิกเพ่งหรอกเพราะฉะนั้นลืมมันไปถนะ้าลืมการปฏิบัติถ้าคนไหนติดเพง่งลืมการปฏิบัติไปนะออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี่กระทบอารมณ์ไปจิตมันจะแปงขึ้นแปงลงแล้วคอยมีสติตามรู้ไปจะง่ายกว่าการหาทางแก้เวลาติดสมสถะเรานิ่งอยู่ข้างในแก้ยากพอหมเท่านี้ก็ยากแล้วนะ ขอโอกาสให้แม่ชีอีกท่านได้ไหมครับอ้าวเชิญแม่ชีอย่าไปประคองสิรู้สบายสบายกรับในมรสการพระคุณเจ้าค่ะจริงๆนักธรรมาชาติของจิตเนี่ยสนมากๆแล้วก็ด้วยภาวะด้วยเพศเนี่ยก็เลยต้องเหมือนกับประคองก็เลยจะกราบถามพระคุณเจ้าว่าสิ่งที่กำลังประคองหรือว่าที่กำลังปฏิบัติอยู่นะเจ้าค่ะแอบไปสร้างพบไว้หรือเปล่านั่นแหละพบหนะ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 แม่ชีไม่ต้องกังวลใจมากนะใช้ชีวิตธรรมดาถือศีลไปะไม่บังคับตัวเองไม่ข่มตัวเองเอาสบายๆเหมือนแม่ชีที่นั่งข้างหลังนั่นนะ่ะที่นั่งข้างหลังกันนะรู้สึกไปเอาเลยไม่รู้สึกแล้วใจวิ่งไปอยู่ที่เราลนะ้วพ <laughs> ยายามรู้สึกตัวสบายๆอย่าไปเพ่งไว้นะเอาเลยเพ่งใหญ่เลยเวีกรกำ <laughs> <laughs> ดูไปเล่น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 เช่นบางคนลูกตายไปยอมรับไม่ได้ว่าลูกตายก็มีความทุกข์ขึ้นมาถ้าเห็นว่าเป็นธรรมดาที่ลูกต้องตายไปก็ไม่ทุกข์เราไม่สบายจิตใจเราแขว่งไปแขว่งมาอันนี้เป็นปกติของเราเรายอมรับตรงนี้ได้เราจะไม่ทุกข์ถ้าเรายอมรับไม่ได้เราเกลียดมันนะจิตใจยิ่งกังวลยิ่งกังวลยิ่งนอนไม่หลับใหญ่ะพยายามยอมรับความจริงหน่อยนะอหนูพยายามยอมรับกับมันนะคะแล้วก็แต่มันไม่ยอมรับเรา หนูก็หาเครื่องอยู่เวลา น, นอนไม่หลับอย่างเงี้ยค่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยๆเป็นเอ็มพสามทวนกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วช่วงแรกๆมันก็จะหลับค่ะแต่ว่าวเคล็ดรับของการนอนหลับนะต้องสบายใจถ้าเราฟังซีดีแล้วก็เมื่อไหร่จะ ห, หรจะหลับเมื่อไหร่จะหลับเนี่ยเรากำลังฟังด้วยโทรศัไม่สบายใจไม่หลับหรอกนะ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 ให้รู้ทันใจที่ลาคาใจมันลาคาญที่นอนไม่หลับนะให้รู้ทันมันตัวนี้หนูก็บางทีก็ลุกขึ้นมาเดินเดินจงกรมบ้างอะไรนี้ไปเล่นก็ยิ่งไม่นอนสิก็มันนอนไปแล้วมันก็นอนเล่นนอนนอนเล่นเล่นกันนอนเล่นเล่นนะหลับก็หลับไม่หลับก็ช่างมันอต้านทานอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วพอแต่พอตอนกลางวันมันจะขาดสติอ่ะหลวงพ่ออ๋อแงแล้วกลางคืนมันไม่นอน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 พยายามดูทุกอย่างไปเห็นไหมทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปฝึกอย่างนี้บ่อยๆฌานไม่ใช่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันฌานเป็นที่นอนพักเป็นที่พักจิตเวลาจิตฟุ้งซ่านแล้ก็เข้าไปพักผ่อนพอพักพอสมควรแล้วนะจิตถอยออกมาจากสมาธิแล้วเนี่ยมีสติตามรู้กายรู้ใ จ, จเจริญปัญญาไปเรื่อยเห็นกายทางานเห็นใจทางานไม่ใช่ตัวเรานี่เรียกว่าสร้างญาณขึ้นมามีญาณ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 สัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถ า, ามณิโชติระโสยถ า, าสพีติโยวิวัชจันตุสัพพโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายยโกภาวะอาภิวาธนาสีลิสนิตจังุทาปจายิโนจัตตารโรธรมมวัันตีอายุวันโนสุขังระลัง